สิกขาบทที่สเรื่องพระชัพขพี5 7าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสูจน์ฉพคีเดินเปิดกายไปในละแวกบ้านพระบัญญัติสามพึงสำเนียกว่าเราจะปกปิดกายให้ดีไปในละแวกบ้านเรื่องพระชับพขพีจบสิกขาบทวิพังภิสูุพึงป ก, ปกปิดกายให้ดีไปในละแวกบ้าน ภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อเดินเปิดกายไปในละแวกบ้านต้องอบัตทุกกดอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1. ภิกษุไม่จงใจ 2. ภิกษุไม่มีสติ 3. ภิกษุผู้ไม่รู้ 4. ภิกษุผู้เป็นไข่ 5. ้ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 6. ภิกษุวิกลจริต 7. ภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่3จบ